พระบัญญัติ5้7ก็ภิกษุใดใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ยากให้ซัดให้ยอมหรือให้สางผนเจียมต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ